นี่เป็นพาหิยสูตรนะครับอยู่ในสังยุตตนิกายสลายยตนาวัตรนะพระพาหิยะขอให้พระภูมิพระภาคเจ้าแสดงธรรมอย่างย่อๆนะเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนะข้าพุทธเจ้าขอพระภูมิภาพเจ้าทรงแสดงธรรมอย่างย่อๆข้าพุเจ้าจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นถ้าจะมีอายุแล้วพระภิกษุองค์นี้นะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าดูก่อนพาหิยะเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนาจากสูดเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะจะแสดงว่าวงกลมวงที่หนึ่งใช่ไหมครับคือจากขู่ภาษาท่านะจากสูดเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะครับแสดงว่า <c oughs> จากขู่ภาษาท่าใช่ไหมครับเ <c oughs> ที่ยงหรือไม่เที่ยง <c oughs> ไม่เที่ยงไม่ไม่เที่ยงนะฮะ พอไม่เที่ยงนี่หมายความว่าเพราะว่าเราเราเนี่ยจะ ก, กําหนดหรือพิจารณา ย, ยัางไงครับ mm hmm. จากขูเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยล้วพิจรณา ย, ยัางไงด้วยปริญญาครับยาตัดปริญญาเอาใครยาตัปริญญาก่อนจะได้ยัง mm hmm. ไงครับจากขูเป็นนามหรือรูป mm hmm. เป็นรูปใช่ไหมครับเป็นรูปเกิดจากอะไรกรรมอุจหาน ใช่ไหมะฮ ะ, ฮะทำไมอ่ะอก็พระภูมิภาพบอกว่าจักขูเที่ยงไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าไม่เที่ยงจริงเนี่ยแสดงว่าเราต้องรู้ปัจจัยแล้วถ้าปัจจยัยใดปัจจัยหนึ่งมันหมดไปเนี่ยไอ้จักสู่มันจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้อะถ้าปัจจัยมันชำรุดนะไอ้จักขคูมันก็ชำรุดด้วยะนะเช่นอาหารและปัจจัยเนี่ย ถ้าอาหารไม่ดีนี่จากคุมมันต้องมันต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหมายความว่าเราต้องรู้ลงไปอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่ า, เ, าเที่ยงไม่เที่ยงก่็เออไม่เที่ยงอะ่ะตามสูตรใช่ไหมอ่าตัวนี้ <c oughs> ปาดต่อไปนะให้ท่านชื่นใจหน่อยจากสูตเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสบอกว่าพระภู้มีพระพพก็ตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และเป็นสุขเล่าพระภัยยากระบอกเป็นทุกข์พระเจ้าข้ า, า, ขาใช่ไหมครับ ต่อไปนะครับก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราไม่ควรพระเจ้าข้านี่หมายความว่างไงนี่หมายความว่าไง ไ, ไม่นั่นของเรา <c oughs> หรือว่านี้ของเราเอตังมามะนะเอตังมามะนะ องค์ธรรมได้แก่อะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรเอตังมะมะเอาเอาองนี้ไหมก็บอกว่านั่นของเรานั่นตาของเราอย่างนี้ว่านั่นตาของเรา่ะเมื่อกี้บอกจักสู่ใช่ไหมอ่าจักรสู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์กวรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นใช่ไหมของเราตรงนี้นตาของเราเปล่านี่ นั่นก็คือนั่นน้ําชี้มันนี้นะของเรานั่นเอตังมะมะนะเอตังมะมะแปลแล้วนี่แปลว่านั่นไว้หนี่ของเรานะองค์ทำได้แก่อะไรองทำได้แก่ทั้งหมดเลยนะอ่ะนั่นแลหละข้อความอันนี้เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าไปติดในอะไรติดด้วยอำนาจอะไระะพร ะ, ะ, ะปกติเราเข้าไปมีอุปาทานอยู่แล้วตลอดน่ะ ไม่ว่าเราจะเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กินอะไรได้รสอะไรเนี่ยเมื่อได้รับแล้วมีอารมณ์แล้วเนี่ยมันหนีอุปาทานไม่พน้นน่ะธรรมดาปุถุชนเป็นอย่างนั้นเว้นขณะอกุศโรจิตเกิดไอ้ขอโทษเว้นกุศโรจิตเกิดถ้าอักุสโรจิตเกิดเนี่ยมันหนีไม่พ้นลงไปอุปาทานน่ะถ้าอย่างนั้นเอตังมะมะเป็นอะไรตัณหาตัณหามันควา <c oughs> มว่าไงเออท่าน แต่คุณวิทคุณเวาวันว่าดีตันหาสบายมากคือสิ่งที่เรายึดติดตาเนี่ยยังไงไม่ไปจีบไปยังไงไม่ยึดติดเลยของของเราอะไรเราเห็นอะไรออย่างเงี้ยอ่าอยังไงไม่จีบยังไงตานี่ด้วยตันหาหมายควาไงด้วยตันหาหมายความว่าตันหานี่คือความอยากใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะด้วยความรักนะตาของเราอ่ะถ้าหากว่าลักษณะของตันหาเนี่ยจะเข้าไปตั้งความปรารถนาในจักสุขอะไร ขอเราเพิ่งมีจักษุอย่างนั้นนะในสมมติว่าตาขณะนี้เห็นอาจจะไม่ชัดนักใช่ไหมไปตัดแว่นซะสามสี่รอยอย่างเงี้ยต่อไปขอให้ตาแบบวิเศษวิเศษหน่อยอ่ะมีตาที่มีคุณภาพดีกว่านี้นะการเข้าไปตั้งนะักลักษณะนี้เป็นเรื่องของปัญหาคือเข้าไปตั้งความปรารถนาในจักสุนะ น, นี่เป็นชื่อของปัญหาวันนั้นของเรา บางคนเนี่ยตั้งความปรารถนาโดยอาศัยทำบุญเลยพอพูดถึงจักสุกปั๊บจะทำบุญให้ทานไปหาทำบุญประเภทให้แสงสว่างเป็นทานใช่ไหมอขอเราพึงมีจักสุขอย่าง น, นั้นนเนี่ยนั้นตั้งเป้าหมายเพื่อจักสุกอันนี้เป็นเรื่องของตัญหานะตัญหาก็คืออยากได้ตาแบบนี้อีกอะ่ะนะใครๆไม่อยากได้บ้าง ไปพิจารณาคําว่าจักขู่มาจากจักคติแปลว่าชอบเช่นท่านบอกว่ามัททุงจักคติว่า้นชอบน้ําผึ้งพยัญชนะงจักคติชอบกับข้าวอันจักขู่มาจากจักคติอั้นจักขู่นั้นเป็นเหตุให้เกิดจักขูวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดการเห็นอั้นจักสูนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายที่ที่ยินดีในจักสูนี่ยนะถ้าลองใครบอกว่าตาจะบอดแล้วนะ จะเห็นความยึดถือของพวกเราโดยธรรมดามันยึดจนไม่รู้จะยึดยังไงนะก็คิดว่าสักวันหนึ่งอย่างเย่นคนไปเที่ยวนะการท่องเที่ยวไปแต่ละแห่งเนี่ยสมบัติทางตาทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของการไปใช้ต า, ท, าทั้งหมดเลยถ้าหากว่าคนตาบอดนะโอ้จะไปเที่ยวที่ไหนที่มันสวยงามที่สุดนะที่แต่งได้วิจิตรขนาดไหนถ้าตาบอดเนี่ยเอาไหมไม่มีใครอยากไปเที่ยวแล้วดนตรีเพราะๆให้คนหูหนวกฟังเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลย นั่นะเพราะฉะนั้นจากขูนั้นน่ะที่ลักษณะของตัญหาจะเข้าไปยินดีว่าให้เรามีตาที่ดีขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นอะไรนะเราคิดว่าเราไม่ค่อยเราไม่น่าจะติดข้องในวัตถุนะครับเพราะอยู่อยู่กับเรานานอยู่กับเราจนชินนะก็เหมือนกับสามีของเราอะ่ะถ้าเขาอยู่ไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ก็อย่างนั้นแหละถ้าเกิดเอทําท่าจะไปที่อื่นน่ะแม่ตอนนี้อื มีค่ามากฉันใดก็ฉันนั้นแหละว่าเป็นมีค่ามากทีแรกก็ด่าเช้าด่าเย็นนาเช้าด่าเช้าด่าเย็นออีกอันนึงนะพายะนะเราเป็นนั่นหรือว่านี่คือถ้าเราเป็นนั่นนะคือว่าคำว่านั่นเป็นลักษณะของ m a n ะเข้าไปคือถ้าหากว่าเป็นทางทาง คนแขกเลยเข้าฟังออก <c oughs> ถ้าหากว่าเราเป็นนั่นเนี่ยเป็นลักษณะเกิดการเปรียบเทียบเข้ามาเออบางคนเนี่ยเปรียบเทียบเลยนะอย่างของอดัมา น, นี่แหละอหลายองค์มานั่งเรียนด้วยกันเขาใช้แว่นกันหมดแล้วเรายังไม่ทนใช้แว่นเลยตาเราดีกว่า <c oughs> คือพ อ, อาาพอเข้าไปยินดีเข้าไปยึดติดในลักษณะนี้แหละเป็นเรื่องของมันนะ มานะเกิดการเปรียบเทียบเลยโอ้เราก็อ่านหนังสือใช้เวลาเท่าๆกันแต่เราไม่ต้องใช้แว่นคนอื่นเขาใช้แว่นนั้นตาเราดีต่ตาเขาบางวันนี้้คนนั้นทําไมเขาตาดีจังเลยไกลๆเขาขมมองเห็นไม่ตาเราไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นนะการการเปรียบเทียบในลักษณะนี้เป็นมานะเรียกว่าเราเป็นนั่นคนคนแขกเข้าใจเลยแต่คนไทยฟังแล้วก็ต้องมาแปลเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้เข้าใจว่า เ, ออเราเป็นนั่นนี่เป็นลักษณะของมาณะ ที่เกิดการเปรียบเทียบระหว่างตาภายในกับตาภายนอกนะตาของเรากับตาของคนอื่นแตกต่างกันน่ะนะลักษณะนั้นไปเรียกว่าเราเป็นนั่ น, น, น, นและสุดท้ายคื อ, อะมะกีนีเอโซมหัสมินะนะบาลี เ, <อ>เขาใช้คาว่าเอโซหมาสมิอุ่องทำในการมาณ์นะนั่นเป็นตัวตนของเราเอโซเมอตตาติ นั่นเป็นอัตตาของเร า, าจักขู่กับอัตตานี i อันเดียวกันเราอันใดจักขู่ก็อันนั้นใช่ไหมจักขู่คืออัตตาอัตตาคือจักขู่มันถ้าตาบอดปับ๊บคล้ายๆกับว่าดับเลยชีวิตเราดับเลยหรืออีกนายหนึ่งนะนาเห็นนามขันเป็นอัตตาจักขูนี้ อ, อัตตาเนี่ยอยู่ในจักขูอีกครั้งหนึง่ง ลักษณะนี้เป็นชื่อของเห็นโดยมานะทีนี้พระองค์บอกว่าอย่าไปตามเห็นแบบนั้นนะเห็นอย่าไปเห็นตามเห็นด้วยอำนาจของตานหามานะทิถีแบบนั้นแต่ให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญาอันชอบเห็นยังไงก็เห็นว่าจักครูเป็นความใสแห่งรูปชนิดหนึ่งเป็นความใสแห่งมหาภูตรูปพอที่จะกระทบสีได้ สามารถที่จะกระทบสีได้จากขูอันนี้เป็นวัตถุให้เกิดจากขูวิญญาณจากขูอันนี้นี่มีกรรมเป็นเหมือนกับพ่อแต่งขึ้นมามีอวิชาตันหาอุปท า, านเหมือนกับแม่นะที่คอยอุปถากเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีอาหารเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมคอยบำรุงอุปธรรมทั้งอาหารด้วยอุตุด้วยจิตด้ว ย, ดดวยคอยอุปธรรมอยู่นั่นแหละและจากขูนี้ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าอุปธรรมพกกรรมมาหล่อเลี้ยงนะตาเราจะดีวันดีขึ้นตาเราจะดีขึ้นจากคนที่ตาไม่ดีตาก็จะสุขภาพตาจะดีขึ น, นนะถ้าอุปธ ร, รมพกกรรมดีอาหารดีอาหารก็คือพวกวิตามินบางอย่างที่เข้าไปบารุงเรื่องตาดีก็จะทำให้สุขภาพตาเนี่ยดีขึ้นถ้าอุปปีระกกรรมมาเบียดเบียนถ้าอุ ป, ปีรักกรรมมาเบียดเบียนตาจะเป็นยังไงพลาเลยนะอะไรก็มองไม่ค่อยเห็นละ สุมองไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นไอ้ทีนี้อุปเฉชทัากากรรมมาตัดรอนนี่จะเป็นยังไงบอดสนิทเลยอ่ะนั่นแหละเป็นตาที่บอดสนิทเลยก็สะเก็เห็นม่นะกระเด็นแผ่นดินต้องเป็นพันพั น, พ น, พ น, พนร้อใช่ไหมกระเด็นได้สายตาพอดีเป๊ะเลยแตกพอดีเลยอ่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเป็นประเฉชทกากรรมมาตัดเลย นะตัดรอนภาษาทรูปอันนั้นให้เสียหายไปดังนั้นตัวจักรคู่ซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปจากสู่ก็หมดสภาพไปการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเข้ากับเรื่องที่กําลังกล่าวเลยว่าในในลักษณะสู่ที่ว่าปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะพระองค์ทรงพิจารณาอย่างนี้แหละว่ารูปจักรคู่นี้เป็นรูปใช่ไหมจักรคู่นี้เป็นรูป ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปเขาเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้เขาก็สิ้นไปไม่เที่ยงคือขยับเถนะสิ้นไปขยับเถนะนะก็คือขยะบวกอถัถะมันขยะก็คือสิ้นไปหมดไปเสื่อมไปจักรคูก็เหมือนกันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมันขยะแปลว่าเสื่อมสิ้นไปบอกว่าจักรูเป็นขยะเนี่ยฟังยางนะนี แต่ถ้าบาลีเขาฟังขยับเทนะนะจกักรคูมีความหมายว่าไม่เที่ยงเพราะความหมายของจกักรคูคือเส้นปลายจักรคูนี้เป็นทุกข์เพราะอัจว่าพยัตเทนะพยะแปลว่าน่ากลัวนะจกักรคูนี่ยน่ากลัวถ้าคนที่ยังไม่เห็นโทษของจกักรคูนะอาจจะไม่รู้เลยแต่ว่าจักรคูเนี่ยตัวมันเองก็เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยมากมายตัวของจกักรคูเองเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเขาอ่า เป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ที่ตานะมันคล้ายๆมันจะคันตลอดเลยจะคันที่ตาเนี่ยเพราะว่ามันติดเชือ้อติดเชื้อก็ไปหาหมอเห้เราก็นึกว่าเราไปคนเดียวไปถึงเนี่ยคนไข้นั่งเรียงกันเพพอก็มานั่งฟังคำนี่แหละไปหาจากักษุแพทย์ที่ตอนนั้นอยู่ที่อุบลราชธานีไปนั่งเรียงเรียงกันโอ้โหมานั่งเพื่อคนโน้นก็ปิดตาคนนี้ก็ปิดดูมันแสดงว่าโรคนี้คนนี้เป็นมากจริงๆเพราะนั้น อ่าเมื่อมันเป็นโรคภัยอย่างนั้นเขาเป็นทุกจักษุจึงนากลัวนั่นแหละและจกักษุนี้ยังเป็นเหตุให้ให้โจรเนียปล้นจกักโขเหมือนบ้านร้างไหมอายตนะภายนอกนี่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นพระองค์กล่าวในอาทิตตะปริยัยสูตรถ้าอ า, อาศายการเห็นนี่ทำให้ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะทำให้เกิดราคะเกิดนะพระองค์บอกว่าเอากันไกตัดเล็บมาคว้านให้มัน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 พสวาจาก็ได้สัมผัสปลาปะก็ได้ปิสุนาวาจาก็ได้ถึงกับอภิชาก็เกิดโทพ ย, ยาบาทก็เกิดเพราะอาศาัยจากขุยนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิอันตัวเนี้เป็นที่เรียกว่ากระแสแห่งวัตถทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจากขูปเป็นทุกขสัตว์นึ่เป็นทุกข์ขสัตย์จริงๆเจนทามันเป็นทุกข์สัตย์จริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆนะ มันเป็นนอกจากเป็นทุกข์ขทุขรแล้วเนี่ยนะมันนอกจากจะเป็นทุกข์ขทุขรเนี่ยนะมันยังเป็นมันยังเป็นไอ้ทุกข์อีกอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะปริยายาทุกข์อีกเยอะแยะเลยคคือถ้าบอกคุณเวลาวันบอกว่าเออถ้าไม่เห็นก็ถ้าไม่มีจักรโคก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันกลัไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าโอ้แสดงมาปัญหานี่คุยกันคนละระดับรู้ทันทีเลยอีกคนหนึ่งจะเอาไปทําทานนกุศล อีกคนหนึ่งพูดวิปัสนาเพื่อจะหน่ายจากวัตตะเออไปด้วยกันได้เหมือนกันนะแล้ก็เรียนร่วมกันมาตั้งนานโขเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้ไ ม, ไ, ดไม่เป็นไรใช่ไหมคนนี้คิดเรื่องนี้ไปเอกคนหนึ่งมีศรัทธาเรื่องทานเอาทานไปมีตัทาเรื่องสินเอาศินไปมีศรัทธาเรื่องวิปัสนาก็วิปัส น, นาไปก็แล้วกันอันถือว่าหลากหลาย คืถ้าหากว่าการกล่าวถึงว่าจักขุ่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยเขาเรียกว่าพูดในลักษณะของปัญญาที่ที่เป็นวิปั ส, สนาที่เป็นปริญญาเข้าไปวิจัยน ะ, ะในชั้นต้นนี่น ะ, ะในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลกรรมและผลของกรรมนี่เขาชัดเจนละนถ้าหากว่าการกล่าวที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตรีรณปริญญาแต่อย่างที่คุณวิลาวันกล่าวเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาคือยาตะปริญญาก็ยังไม่ทันชัดเลย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 ถ้ายังยินดีในจกักขุนะอย่าคิดเลยว่าจะได้นิพพานไม่มีทางเพราะโลภะเกิดขึ้นยินดีในจกักระแล้วในขณะนั้นทันจะต้องอาศัยจกักระเพื่อเจริญอาศัมโมหะสัมปชัญญะหรือตั้งแต่ยาตะประิญญาเป็นต้นไปและต่อไปนะจกักระหรือรูปเนี่ยเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าอาารกัดเทนะ จักขูเป็นอนัตตาเพราะอสารักเถนะแปลว่าไม่มีสาระเลยจักขูนี้มีสาระไหมสาระในที่นี้คืออะไรเอาเอาเอาสาระก่อนถ้าสาระเป็นยังไงสาระนี่หมายคำว่าสาระหนึ่งต้องสิ่งนั้นต้องเป็นนิจจาศาระสิ่งนั้นต้องเที่ยงแะสิ่งที่เป็นสาระหนึ่งเที่ยงสองสุขะสาระมีความสุขสาม อัตาสาระเป็นอัตตาแล้วก็สุภาสาระเป็นความงามแล้วจากสูนี้เป็นนิจจาสาระไหมมีความเที่ยงอยู่ในนั้นไหมไม่มีเป็นสุขาสาระไหมมีความสุขไหมในจักโคจักรูนี้มีความเป็นแก่นสารไหมทีนี้เขามีคาถามว่าจักโคนี่งามไหมเขามีพระเถรีรูปหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยบวชตั้งแต่ยังงามเลยวขาะสุภาเทรี เป็นเป็นเทเรที่งามมากเขบอกว่ า, อามองผู้ชายใดมองเห็นนางเหลือบตามองเห็นปั๊บเนี่ยใจต้องหวั่นไหวเลยอ่ะทีนี้มันก็บวชบวชแล้วก็เป็นพระรหารพระรหารก็มีชายหนุ่มคนหนึ่ง น, นะเครียกสำนวนทางคำพีเรียกนักเลงเจ้าชู้ก็คือคนที่ที่ไปหมายปองหญิงคนใดคนหนึ่งเครียกนักเลงเจ้าชู้ก็ไปติดตามพระเถรีเนี่ยอ้อนวอนเออเธอก็ยังสาวว่างนั้น ฉันมีทรัพย์นะฉันจะไปเลี้ยงดูเธออย่างนั้นก็ไปให้ความหวังเต็มที่เลยอ น, นางก็ถามว่าเออรักใช่ไหมบอกว่าใช่รักส่วนไหนเขาบอกงั้นรักดวงตานะบอกว่ารักดวงตาเท่านั้นแหละนางเ น, นี่ยควักตาให้เลยรักจริงๆบอกว่าตางามทำไมไม่เอาดวงตาไปล่ะนะอุตส่าห์ควักตาให้เลยนะนางควักให้จริงจริงเลยนะเป็นพระอาหารหันต์ละตอนหลัง ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ออ่พอเฝ้าพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนั้นให้พุทธเจ้าฟังตอนหลังนางก็ได้ดวงตาคืนเหมือนเดิมนะก็ไม่ถึงกับบอดแต่พราะว่าถ้ามันงานจริงๆอ่ะเราก็น่าจะได้ดวงเอาดวงตามาเลยใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่บอกโอ้คุณเนี่ยยิ้มสวยจังฟันงามเลยอถอดเอาไปซักเสื้อไหมนั่นแหละนั้นความงามในนั้นจริงๆเนี่ยมันคืออะไรในขณะที่เรา เรียกว่าวิปปลาหรือวิปปิริจก็คือเมาแล้วแนหะจึงเห็นว่า ง, งามอะ่ะถ้าฝางเมื่อไหร่ก็หมดงามลนะ <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นรูปเหล่านี้จึงเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการตามเห็นเพื่อปฏิเสธปฏิเสธตัณหามาณนะนั่นแหละคนที่เห็นโดยที่ไม่เกิดตัณหามานะนี่เห็นอย่างไร พิจารณาจากสุอย่างไรตันหามานะจึงไม่เกิดท่านก็ต้องพิจารณาจากสุชั้นต้นเลยนะเห็นจากสุเป็นจากสุเอ๊ะเป็นยังไงแสดงว่าคนทั่วไปไม่ได้เห็นจากสุเป็นจากสุใช่ไหมไม่ได้เห็นจากสุในลักษณะจากสุตามความเป็นจริงของจากสุแต่จะเข้าไปสําคัญหมายในจากสุด้วยอํานาจของตันหามานะและทิฏฐิ ไม่ได้พิจารณาเห็นจากสูอย่างที่มันเป็นจากสูจริงๆมันเป็นอะไรมันเป็นรู ป, ปรธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดด้วยปัจจยัยคือกรรมเป็นต้นเป็นปัจจยัยแต่เราก็ไปยึดตัวเป็นของเราแต่เราก็เราอ่ะของเราอ่ะดีไม่ดีอ่ะตัวเนี้ยคือเราอ่ะเร า, าคือจักสูทั้ทงหวงแหนทัทง้งอวดดีอีกนะแล้วยังเข้าใจผิดว่าเป็นของเราอีกนี่เป็นอุปาทานองค์ธรรมของอุปาทานคือ ตัณหาและทิฏฐิครับนะตัวนี้สูตรนี้นะฮะท่านก็จะไล่ไปเรื่อยเลยพอตัวจับสูตรนี้แล้วนะครับท่านก็ถามพระภูริภาพก็ถามไปว่าเออนี่ภัยยะแล้วรูปล่ะ <c oughs> รูปเที่ยงไม้นะก็ไล่ไปเรื่อยเลยนะนะไล่ไปเรื่อยแล้วก็อย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ยึดรูปเรานะ่ยนะฮะรูปเนี่ย น, นะเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะนะไปยึดรูปในตัณหาถือว่า เกิดมามองที่ตัวเราเองด้วยซ้านี่นะฮะเนี่ยเกิดตาเราเองนะแล้วมองที่สีของเราเองเนี่ยเนี่ยสีนี่เที่ยงไม้เอา้าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไล่ตามนี้เลยนะเราก็ไปติดตรงติดด้วยตัญหามานะที่ติดเหมือนกันพกเพราะสีตรงนี้ครับข น, นาดต้องกระจกอะขนาดสองกระจกรัดอ๋อในเวลาสองกระจกใช่ชัดเจนเลยอะ่ะ <c oughs> โดยเฉพาะผู้หญิงเอียงซ้ายเอียงขวานะหมายอีกนิดี้อะเงี้ยผู้ชายก็ไวเบ้าเนอะ เราหนุ่มๆนี่ น, น่าดูนักกว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยโอหเอียงเยอะเลยถ้ามีกระถาเนี่ยไร้ซะก่อนเอียงเยอะเลยครับตอนนี้ก็พอมาถึงนี่นะก็มาวิญญาณอีกอะพอจิตเห็นนะ่ะเราก็เออเรานี่ยเราก็อยู่สามสามตัวนี่แหละเพราะว่าไอเห็นก็นึกว่าเราเห็นอีกแหละนะะทั้งหมดนี่ก็ไล่ไปเรื่อยเลยนะพอทางตาแล้วก็ไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจครบหมดเลยขั้นสูตรตรงไหนขันห้าครบหมดเลย ให้นึกถึงชาชักะสูตรถนะ้าหากว่าความยึดถือของเรามากมายขนาดไหนนะสังเกตเอาจากชาชักะสูตรเอามาลองไล่ดูตาสีจกักรคูวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานวิญญาณเขาค่อยไล่แล้วเขาค่อยสังเกตแยกแยะพิจารณาของแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ให้มีความเข้าใจายอย่างดีนะ ลิ้นรสเชลียวหาวิญญาณกายโพธะภะกายวิญญาณมโนได้แก่ผวังมโนมธรรมะมโนวิญญาณนะค่อยๆไล่แต่ละทวารเนี่ยนะไล่กลับไปกลับมาบ่อยๆถ้าไล่กลับไปกลับมาบ่อยๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะอัตตะสัญญาเนี่ยนะมันถอนไปเยอะเลยสังเกตดูถ้าถ้าถ้าเอาไปคิดมากๆในลักษณะนี้บ่อยๆนะไม่ต้องกลัวนะว่ามันเป็นอะไร เขบอกเอ้นี่เป็นธรรมสัญญาเออจําอย่างนี้ดีดีกว่ากามสัญญามากมายพระสารดีกว่าปาพยาปาทะสัญญาดีกว่าวิหิงสาวิหิงสาสัญญาสัญญาสามอันนะดีกว่าอากุศลสัญญาเหล่านั้นมากนี่เป็นธรรมสัญญาและข้อความเหล่านี้คือธรรมังสรนงังฆะฉามิ